บุกทูแปดสิบอ็อกเด็กคำคุณศัพท์สามแอดเจกติวอยทรีเธอมีสุนัขหนึ่งตัว she h a สุนัขตัวใหญ่ la h u n d es grande เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัว She has เธอมีบ้านหนึ่งหลัง She has บ้านหลังเล็ก La malgranta dom estas mal domo เธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง She has เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่ง โ, โรงแรมราคาถูกเขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูกเขามีรถหนึ่งคัน รถราคาแพง auto estas e เขามีรถราคาแพงหนึ่งคัน e auto. เขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่องนิยายหน้าเบึ้ง เขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่องเธ อ, อดูหนังหนึ่งเรื่องหนังน่าตื่นเต้นเธอดูหนังน่าตื่นเต้นหนึ่งเรื่อง